ตั้งเป้ายกระดับวิธีคิดเมื่อความคิดแย่ๆหายไปจากหัวนานๆคุณจะรู้จักตัวเองในอีกแบบหนึ่งเหมือนพลิกเหลี่ยมพลิกมุมของตัวตนดีๆอีกด้านที่ให้ความรู้สึกสว่างขึ้นปลอดโปรงขึ้นเป็นสุขขึ้นพุดขึ้นมาแทนที่ตัวตนเก่าที่แย่กว่าคำถามจึงเป็นว่า ทำอย่างไรจะให้ความคิดแย่ๆหายไปจากหัวนานๆมนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความคิดแย่ๆในหัวนักแต่ถูกรบกวนด้วยความหิวนมแม่ความเปลี่ยวหนาวความปวดนั่นปวดนี่อันล้วนบรรดาโทสะกระตุ้นให้เกิดความคิดอันเป็นลบเป็นต้นมาเมื่อโตขึ้นในสังคมที่ต้องแข่งขัน ยิ่งต้องเผชิญกับความคิดแย่ๆในหัวทุกวันไม่มีวันหยุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องตั้งตนเป็นปฏิปักษ์กับใครบางคนหรือกระทั่งบางกลุ่มต้องสบกับแววตาไม่เป็นมิตรมากกว่าสายตาที่มองกันดีๆต้องได้ฟังเสียงด่ามากกว่าเสียงชมต้องได้รบกับความอายุติธรรมมากกว่าได้รับความยุติธรรมต้องมีคนเด่นคนดังให้อดมันไส้ไม่ได้ ต้องได้อ่านข่าวคนดีกลายเป็นคนร้ายต้องเจอสิ่งเร้าให้นึกอยากใช้เงินเกินตัวต้องประสบกับสิ่งที่ทั้งยั่วยุทั้งบีบคั้นให้ผิดศีลต้องถูกกดดันด้วยสภาพแวดล้อมทรมานใจแต่ละคนจึงเหมือนถูกปล่อยไว้ตามลําพังให้เผชิญกับสัตว์ ร, ร้ายในหัวของตัวเองตั้งแต่เกิดโดยแทบไม่มีใครบอกวิธีสู้หรืออย่างน้อย ก็วิธีอยู่กับสัตว์ร้ายในฐานะนายไม่ใช่เหยื่อนี่เป็นแง่มุมที่อาจเป็นข้ออ้างให้ทุกคนเห็นใจตนเองอยู่ในส่วนลึกโลกที่ดูเหมือนมีแต่เรื่องแย่ๆให้คิดแย่ๆเหมือนจะมีความชอบธรรมให้มองโลกในแง่ร้ายมากกว่าแง่ดีเหมือนจะมีความชอบธรร ม, กกห ม, ม, มให้นึกอยากอาฆาตมากกว่ากาวรุน นับเป็นโลกอันเป็นที่ตั้งของจิตวิญญาณศกกะปรกแล้วใครจะมามัวทําตัวให้สะอาดแปลกประหลาดกว่าคนอื่นได้ข้อเท็จจริงก็คือไม่ต้องโยกย้ายไปอยู่โลกใหม่ก็มีวิธีกำจัดสัตว์ร้ายในหัวกันได้ไม่ใช่เรื่องเหลือบา ก, กว่าแรงสำหรับคนขยันแต่เป็นเรื่องเหลือบากกว่าแรงสำหรับคนขี้เกียจ ช่วงเช้าเป็นช่วงของการเริ่มชีวิตวันใหม่ยังไม่มีเรื่องแย่ๆเข้ามากระทบมากนักหากทําตัวทําหัวทําใจให้สะอาดสดชื่นทั้งออกกําลังให้ร่างกายหลั่งสารดีๆทั้งสวดมนต์เอาเสียงกุศลในหัวทั้งอาบน้ําขัดสีฉวีวันให้เกลี้ยกล่ำคนส่วนใหญ่ก็ไม่อยากทํากันเหตุผลสําเร็จรูปคือ ที่เกียดตื่นนอนเร็วเต็มใจตื่นตามเวลาที่จะเตรียมตัวเดินทางให้ทันงานเท่านั้นที่แย่คือผู้คนเดี๋ยวนี้เห็นทุกสิ่งที่อยู่นอกเหนืองานประจําเป็นภาระออกกําลังกายเป็นภาระสวดมนต์เป็นภาระหรือกระทั่งอาบน้ำก็ยังเป็นภาระเบียดบางเวลาเล่นเกมหรือคุยสนุกกันในอินเทอร์เน็ตไป ช่วงของการทำงานเป็นช่วงที่ควรโฟกัสกับงานเพื่อเรียบเรียงความคิดให้เป็นระบบระเบียบคนส่วนใหญ่กลับเต็มใจกระโดดเข้าร่วมวงนินทาอย่างเมามันสร้างความสัดสายไรระเบียบให้ขึ้นมาในหัวสร้างมุมมองอันเป็นลบกับเพื่อนร่วมงานต่างกลุ่มต่าง ก, ก๊กไม่เต็มใจริเริ่มสรรเสริญใครให้ชื่นบานที่แย่ก็คือ เมื่อมีใครยกเอาบุคคลตัวอยา่างน่าให้พูดถึงในทางดีขึ้นมากลางวงสนทนาแทนที่จะมีความเห็นดีๆเสริมสมทบกลับมีเสียงระแวงเสียงจับผิดเสียงตั้งแงท่ทำนองว่าคนแกล้งดีเอาหน้าคงมีผลประโยชน์แอบแฝงคงประสงค์นั่นประสงค์นี้กลายเป็นสร้างระบบความคิดให้ตัวเองแบบหนึ่งแบบที่ชอบคุยขยะขึ้นมาเล่น ลากขยะเข้ามาเก็บช่วงค่ำคืนอันสมควรเป็นช่วงของการเคลียร์ขยะทางอารมณ์ออกจากหัวเพื่อเตรียมเข้านอนหลับพักผ่อนให้หายเหนื่อยล้าคนส่วนใหญ่ก็เลือกหนีโลกความจริงด้วยการไปมีความฝันมีอารมณ์ร่วมกับดาราเจ้าบทเจ้าบาทที่มาแสดงละครให้ดูทางโทรทัศน์ซึ่งยิ่งวัน ก็ยิงยัดเยียดอารมณ์ร้ายอารมณ์อยากได้อยากมีในสิ่งที่เกินตัวมาเข้าหัวเพิ่มขยะทางอารมณ์ให้ทวีตัวขึ้นไปอีกที่ร้ายคือคนส่วนใหญ่เต็มใจรับขยะทางอารมณ์ประเภทนี้เพราะตอนเข้ามามันยกพวกเข้ามาในรูปของความสนุกตื่นเต้นชวนให้เกิดความประทับใจยินดี แต่พอพวกมันหมักหมมจนได้เวลาเหม็นเน่าขึ้นมาก็แปลรูปเป็นความผันผวนทางอารมณ์อยากได้อยากมีอยากดีอยากเด่นแบบไม่สมเหตุสมผลนึกอยากโทษโลกโทษคนโน้นคนนี้หรือกระทั่งอยากอาลวาดขึ้นมาเสียอย่างนั้นเมื่อได้ดีมีความเด่นดังแบบที่เห็นในละครฟันเฟืองไม่ได้หากสํารวจตนแล้วพบว่า อย่างเต็มใจปรุงรสเผ็ดร้อนให้เป็นอาหารของสัตว์ ร, ร้ายก็อย่าแปลกใจว่าทำไมจึงกำจัดความคิดแย่ๆได้ยากนักอย่าเพึ่งไปถึงขั้นคาดหวังว่าความคิดแย่ๆจะหายไปจากหัวได้นานๆเลยสร้างต้นเหตุอันเป็นทุกย่อมได้ผลเป็นทุกสร้างต้นเหตุอันเป็นสุขย่อมได้ผลเป็นสุก ความจริงมีอยู่แค่นี้ไม่ต้องรอกำลังใจจากสังคมใครทำคนเดียวก็ได้รับผลคนเดียวใครทำเป็นกลุ่มก็ได้รับผลเป็นกลุ่ม